เวหนึ่งพระกถาว่าด้วยกำลังสามห้าสิ่กกำลังของพระตถาคตมีได้ทั่วไปแก่พระสาวกใช่ไหมปรอใช่สอกกำลังของพระตถาคตก็คือกำลังของพระสาวกกำลังของพระสาวกก็คือกำลังของพระตถาคตใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอ กำลังของพระตถาคตมีได้ทั่วไปแต่ระสาวกใช่ไหมปรใช่สกกำลังของพระตถาคตกับกำลังของพระสาวกเป็นอันเดียวกันกำลังของพระสาวกกับกำลังของพระตถาคตก็เป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกำลังของพระตถาคตมีได้ทั่วไปแต่พระสาวกใช่ไหมปรใช่กกสก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 บุพจริยาการกล่าวธรรมการแสดงธรรมของพระตถาคตใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกำลังของพระตถาคตมีได้ทั่วไปแน่พระสาวกใช่ไหมปรใช่สกพระตถาคตทรงเป็นพระชินเจ้าเป็นพระศาสดาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระสัพพันยูเป็นพระสัพพัทสาวีเป็นพระธรรมสามี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 เป็นผู้บอกมักที่ยังไม่มีใครบอกเป็นผู้รู้มักเป็นผู้เข้าใจมักเป็นผู้ฉลาดในมักใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงซึ่งความยิ่งและความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์อินทรียะป ร, ะรป ร, ริ ย, ะตะยัตญาณมีได้ทั่วไปกัพระสาวกใช่ไหมปรใช่ สกพระสาวกเป็นผู้รู้ธรรมทั้งปวงเป็นผู้เห็นธรรมทั้งปวงใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสามร้อยห้าสิบห้าปรพระสาวกรู้ฐานะและอาถรรพใช่ไหมสกใช่ปรหากพระสาวกรู้ฐานะและอาถรรพได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ากําลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริง ถึงฐานะและอาฐานะฐานาฐานะยานมีได้ทั่วไปแข่พระสาวกปอรพระสาวกรู้วิบากแห่งกรรมสมาทานทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุใช่ไหมสกใช่ปอรหากพระสาวกรู้วิบากแห่งกรรมสมาทานทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า กำลังของพระธถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงถึงวิบากแห่งกรรมสมาธานกรรมมวิปากยานทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุมีได้ทั่วไปแค่พระสาวกปอรพระสาวกรู้ปฏิปทาที่จะให้สัตว์ถึงกติและไม่ใช่กติทั้งปวงได้ใช่ไหมสกใช่ปอร หาพระสาวกรู้ปฏิปทาที่จะให้สัตว์ถึงกติและไม่เช่กติทั้งปวงได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ากําลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงถึงปฏิปทาที่จะให้สัตว์ถึงกติและไม่เช่อคติตั้งปวงสัพพัทคาไม่นีปฏิปทาญานมีได้ทั่วไปแต่พระสาวกปรอพระสาวกรู้โลกซึ่งมีธาตุหลายอย่างต่างๆกันได้ใช่ไหม สกใช่ปรหาระสาวกรู้โลกซึ่งมีธาตุหลายอย่างต่างกันได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ากำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงซึ่งมีธาตุหลายอย่างต่างกันนานาธาตุยานมีได้ทั่วไปแค่ระสา v o k รปรภาษาว o k e รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีอัติยาศัยต่างกันได้ใช่ไหมสกใช่ ปอรอหาพระสาวกรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีอธิยาศัยต่างๆกันได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ากําลังของพระตถาคตคือปรีชายอย่างรู้ตามความเป็นจริงถึงความที่สัตว์ทั้งหลายมีอธิยาศัยต่างๆกันน า, นานาที่มุตติกรยานมีได้ทั่วไปใ่พระสาวกปอรอพระสาวกรู้ความเจ้าหมองความผ่องแผ่วการออกจากฌานวิโมกสมาธิ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 ชานาที่สังกิเลสาธิยานมีได้ทั่วไปแค่พระสาวกปรพระสาวกรู้การระลึกถึงขันที่อาศัยอยู่ในชาติก่อนได้ใช่ไหมสกใช่ปรหากพระสาวกรู้การระลึกถึงขันที่อาศัยอยู่ในชาติก่อนได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ากําลังของพระตถาคตคือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงถึงการระลึกถึงขันที่อาศัยอยู่ในชาติก่อน ปุเพนิวาสานุสติยานมีได้ทั่วไปแก่ระสาว o ปรประสาว o รู้จุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายได้ใช่ไหมสกใช่ปรหากระสาวครู้จุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ากำลังของพระถถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงถึงจุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลาย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 กับความหลุดพ้นของพระสาวกมีอยู่ใช่ไหมสกไม่มีปอรอหากไม่มีเหตุอะไรอะไรที่ทำให้ต่างกันระหว่างความสิ้นไปแห่งอาสวะของพระทถาคตกับความสิ้นไปแห่งอาสวะของพระสาวกหรือระหว่างความหลุดพ้นของพระทศกัณกับความหลุดพ้นของพระสาวกดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ากำลังของพระตถาคต์คือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริง ในความสิ้นไปแห่งอาสวะอาสวะขยะยานมีได้ทั่วไปแต่พระสาวก356อกปรกำลังของพระตถาคตคือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในความสิ้นไปแห่งอาสวะมีได้ทั่วไปแต่พระสาวกใช่ไหมสกใช่ปรกำลังของพระตถาคตคือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในฐานะและอาัถานะ มีได้ทั่วไปแต่พระษาวกใช่ไหมสก <lui> ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรกำลังของพระตถาคตคือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในความ ส, สิ้นไปแห่งอาสวะมีได้ทั่วไปแต่พระสาวกใช่ไหมสกใช่ปรกำลังของพระตถาคตคือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในจุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายมีได้ทั่วไปแต่พระสาวกใช่ไหม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 คือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงถึงความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์มีได้ไม่ทั่วไปแก่พระสาวกใช่ไหมสกใช่ปรร์กำลังของพระตถาคตคือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในความสิ้นไปแห่งอาชวะมีได้ไม่ทั่วไปแก่พระสาวกใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรร์กำลังของพระตถาคตคือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริง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 เตีกคถาว่าด้วยความเป็นอริยะสามห้าสกบเกําลังของพระตถาคตคือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในฐานะและฐานะเป็นอริยะใช่ไหมบรใช่สกกําลังของพระตถาคตเป็นมักผลนิพานโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกทาคามิมักสกทาคามิผลอนาคามิมัก อนาคามิผลอรหัตตมักอรหัตตผลสติปทานสัมมติฐานอิทิบาทอินรีพละโภชงใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอกำลังของพระตถาคตคือปรีชายอย่างรู้ตามความเป็นจริงในฐานะและฐานะเป็นอริยะใช่ไหมปอรอใช่สอกอ กำลังของพระตถาคตมีสุญญตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกำลังของพระตถาคตมีสุญญตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรใช่สกพระตถาคตทรงฝ่ายพระทัยถึงฐานะอาถานะและสุญญตะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระตถาคตทรงฝ่ายพระทัยถึงฐานะอาถานะและสุญญตะใช่ไหม ปอรอใช่สกมีการประชุมแห่งภัรษาสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกําลังของพระตถาคตคือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในฐานะและฐานะเป็นอริยะใช่ไหมปอรอใช่สกกําลังของพระตถาคตมีอนิมิตะเป็นอารมณ์มีอัปนิหิตตาเป็นอารมณ์ใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกำลังของพระตถาคตมีอัปนิหิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรใช่สกพระตถาคตทรงฝ่พระทัยถึงฐานะอาถานะและอภปนิหิตะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระตถาคตทรงฝ่พระทัยถึงฐานะอาถานะและอภปนิหิตะใช่ไหมปรใช่สก เนการประชุมแห่งภัษะสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสามร้อยห้าสิบแปดสกเศรษฐประธานเป็นอริยมีสุญญาตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรใช่สกกำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในฐานะและฐานะเป็นอริยะมีสุญญาติเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกสติปทานเป็นอริยะมีอนิมิตะเป็นอารมณ์มีอปนิหิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมบอรอใช่สกกำลังของพระตถาคตคือปรีชายอย่างรู้ตามความเป็นจริงในฐานะและฐานะเป็นอริยะมีอปนิหิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมบอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัมมปทานอิทิบาตินทรีพละโภชงเป็นอริย มีสุญญะเป็นอารมณ์ใช่ไหมปอรอใช่สกกำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในฐานะและอถ า, านะเป็นอริยะมีสุญญะเป็นอารมณ์ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกผู้ชงเป็นอริยะมีอนิมิตะเป็นอารมณ์มีอปนิหิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมปอรอใช่สก กำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในฐานะและอถ า, านะเป็นอริยะมีอปปนิหิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสห้าสกากำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในฐานะและอถ า, านะเป็นอริยะแ ต, แต่ท่านไม่ยอมรับว่ามีสุญิตะเป็นอารมณ์ comed, ใช่ไหมปรใช่ สกสติปทานเป็นอริยะแต่ท่านไม่ยอมรับว่ามีสุญิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกำลังของพระตถาคตเพื่อปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในฐานะและอถานะเป็นอริยะแต่ท่านไม่ยอมรับว่ามีอนิมิตะเป็นอารมณ์มีอัปนิหิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรใช่สกสติปทานเป็นอริยะ แต่ท่านไม่ยอมรับว่ามีอปปนิหิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกำลังของพระตถาคตคือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในฐานะและอาฐานะเป็นอริยะแต่ท่านไม่ยอมรับว่ามีสุญตะเป็นอารมณ์มีอนิมิตะเป็นอารมณ์มีอปปนิหิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรใช่สกสัมมประานโูชงเป็นอริยะ แต่ท่านไม่ยอมรับว่ามีอปัปนิหิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 360. ส6 0สกกำลังของพระตถาคตคือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในจุดติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายเป็นอริยะใช่ไหมปรใช่สกกำลังของพระตถาคตเป็นมรรคผลนิพพานโสดาปิมรรคโสดาปิผล พชงใช่ไหมบอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกำลังของพระตถาคตคือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในจุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายเป็นอริยะใช่ไหมบอใช่สกกำลังของพระตถาคตมีสุญยตาเป็นอารมณ์ใช่ไหมบอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก กำลังของพระตถาคตมีสุ ญ, ญาตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรใช่สอกอ ى, พระตถาคตทรงฝ่ายพระ ท, รทัยถึงจุติปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายและสุญาตะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระตถาคตทรงฝ่ายพระทัยถึงจุติปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายและสุญตะใช่ไหมปรใช่สอกอ ى, มีการประชุมแห่งภาษาสองอย่าง สองดวงใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกําลังของพระตถาคตคือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในจุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายเป็นอริยะใช่ไหมป ร, รใช่สกกําลังของพระตถาคตมีอนิมิตตาเป็นอารมณ์มีอัปนิหิตตาเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกาลังของพระตถาคต มีอปนิหิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรใช่สกพระตถาคตทรงฝ่ายพระทัยถึงจุติปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายและอัปนิหิตะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระตถาคตทรงฝ่ายพระทัยถึงจุติปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายและอัปนิหิตะใช่ไหมปรใช่สกมีการประชุมแห่งภรรษาสองอย่าง จิตสองดวงใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสาอกอสิติปทานเป็นอริยะมีสุญตะเป็นอารมณ์มีอนิมิตะเป็นอารมณ์มีอปนิหิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรใช่สกกำลังของพระตถาคตคือปริชายอย่างรู้ตามความเป็นจริงในจุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายเป็นอริยะ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 สกสมมะประธานพ่ชงเป็นอริยะแต่ท่านไม่ยอมรับว่ามีอปัปนิหิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปอรอกำลังของพระตถาคตคือปรีชายอย่างรู้ตามความเป็นจริงในความสิ้นไปแห่งอาสวะเป็นอริยะใช่ไหมสกใช่ปอรอกำลังของพระตถาคตคือปรีชายอย่างรู้ตามความเป็นจริงในฐานะและอาานะัถนา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 กำลังของพระตถาคตคือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในฐานะและฐานะแต่ท่านไม่ยอมรับว่าเป็นอริยะใช่ไหมสกใช่ปรกำลังของพระตถาคตคือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในความสิ้นไปแห่งอาสวะแต่ท่านไม่ยอมรับว่าเป็นอริยะใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรกำลังของพระตถาคต คือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในจุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายแต่ท่านไม่ยอมรับว่าเป็นอริยะใช่ไหมสออกใช่ปรกําลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในความสิ้นไปแห่งอาสวะแต่ท่านไม่ยอมรับว่าเป็นอริยะใช่ไหมสออกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรกําลังของพระตถาคต เือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในความสิ้นไปแห่งอาสวะเป็นอริยะมีสุญญตาเป็นอารมณ์ใช่ไหมสกใช่ปรรกาลังของพระตถาคตเพือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในฐานะและอาฐานะเป็นอริยะมีสุญญตาเป็นอารมณ์ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรรกาลังของพระตถาคตคือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริง ในความสิ้นไปแห่งอาสะวะเป็นอริยะมีอนิมิตะเป็นอารมณ์มีอัปนิหิตตาเป็นอารมณ์ใช่ไหมสกใช่ปร์กำลังของรพระตถาคตคือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในฐานะและฐานะเป็นอริยะมีอัปนิหิตตาเป็นอารมณ์ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปอร์กำลังของพระตถาคตคือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริง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 คือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในฐานะและอาฐานะเป็นอริยะแต่ท่านไม่ยอมรับว่ามีอนิมิตตะเป็นอารมณ์มีอัปนิหิตตะเป็นอารมณ์<อ>ใช่ไหมสกใช่ปรกำลังของพระทศกัณฐ์คือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในความสิ้นไปแห่งอา ส, สอวะเป็น <Official S 2> อริยะแต่ท่านไม่ยอมรับว่ามีอัปนิหิตตะเป็นอารมณ์ใช่ไ ER หมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ปรกำลังของพระธถาคตคือปริชายอย่างรู้ตามความเป็นจริงในจุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายเป็นอริยะแต่ท่านไม่ยอมรับว่ามีสุญญตาเป็นอารมณ์มีอนิมิตะเป็นอารมณ์มีอัปนิหิตตาเป็นอารมณ์ใช่ไหมสอกอใช่ปรกำลังของพระตถาคตคือปริชายอย่างรู้ตามความเป็นจริงในความสิ้นไปแห่งอาจวะเป็นอริยะแต่ท่านไม่ยอมรับว่า มีอปปนิหิตตาเป็นอารมณ์ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอริยันติกาถาจบสามวิมุติระถาว่าด้วยความหลุดพ้นสามร้อยหกสิบสาม สออกอจิตมีราคาบุพนได้ใช่ไหมปอรอใช่สออกอจิตที่สหรคด้วยราคะเกิดพร้อมกับราคาระคนด้วยราคะสัมประยุทธ์ด้วยราคะมีพร้อมกับราคะเป็นไปตามราคะเป็นอกุศลเป็นโลเคียะเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นอารมณ์ของคันธาเป็นอารมณ์ของโอคะเป็นอารมณ์ของโยคะ เป็นอารมณ์ของนิวรเป็นอารมณ์ของปรามาตเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นอารมณ์ของสังขิเลกหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจิตมีภัษาหลุดพ้นได้ทั้งภาษะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรใช่สกจิตมีราคะหลุดพ้นได้ทั้งราคะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก จิตมีเวทนามีสัญญามีเจตนามีปัญญาหลุดพ้นได้ทั้งปัญญาและจิต ห, pues หลุดพ้นได้าาไดใช่ไหมปรใช่สกจิตมีราคะหลุดพ้นได้ทั้งราคะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจิตมีผัสสะมีราคะหลุดพ้นได้ทั้งผัสสะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรใช่ส pues ก ทั้งราคะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจิตมีเวทนามีราคะมีสัญญามีราคะมีเจตนามีราคะมีปัญญามีราคะหลุดพ้นได้ทั้งปัญญาและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรใช่สกทั้งราคะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสา้อหสิสี่ สกจิตมีโทสะหลุดพ้นได้ใช่ไหมป ร, รใช่สกจิต ท, ที่สหรคด้วยโทสะเกิดพร้อมกับโทสะระคนด้วยโทสะสัมปยุทธ์ด้วยโทสะมีพร้อมกับโทสะเป็นไปตามโทสะเป็นอกุศลเป็นโลคิยะเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังขิเลตหลุดพ้นได้ใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก จิตมีผัสสะหลุดพ้นได้ทั้งผัสสะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรใช่สกจิตมีโทสะหลุดพ้นได้ทั้งโทสะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจิตมีเวทนามีสัญญามีเจตนามีปัญญาหลุดพ้นได้ทั้งปัญญาและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรใช่สกจิตมีโทสะหลุดพ้นได้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 มีเจตนามีโทสะมีปัญญามีโทสะหลุดพ้นได้ทั้งปัญญาและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปอรอใช่สกทั้งโทสะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 365, ส65สกจิตมีโมหะหลุดพ้นได้ใช่ไหมปอรอใช่สกจิตที่สหระคด้วยโมหะเกิดพร้อมกับโมหะระคนด้วยโมหะ สัมปยุทธ์ด้วยโมหะมีพร้อมกับโมหะเป็นไปตามโมหะเป็นอกุศลเป็นโลเคียเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังกิเลตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจิตนีผัสสะหลุดพ้นได้ทั้งผัสสะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปอรรใช่สกจิตนิโมหะหลุดพ้นได้ทั้งโมหะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก etwas, จิตนีเวทนามีสัญญามีเจตนามีปัญญาหลุดพ้นได้ทั้งปัญญาและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรใช่สกจิตมีโมหะหลุดพ้นได้ทั้งโมหะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจิตมีผัสสะมีโมหะหลุดพ้นได้ทั้งผัสสะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหม ปรใช่สกทั้งโมหะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจิตม yes, ีเวทนามีโมหะมีส acho, toys, ัญญามีโมหะมีเจตนามีโมหะมีปัญญามีโมหะหลุดพ้นได้ทั้งปัญญาและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรใช่สกทั้งโมหะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกจิตมีราคะมีโทสะมีโมหะหลุดพ้นได้ใช่ไหมปอรอใช่สกจิตที่ปราศจากราคะโทสะโมหะหมดกิเลสหลุดพ้นได้ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าจิตมีราคะมีโทสะมีโมหะหลุดพ้นได้วิมุตติคาถาจบสี่ วิมุตจะมานักถาว่าด้วยจิตกําลังหลุดพน้น six, สหกสิกสกจิตที่หลุดพ้นแล้วชื่อว่ากําลังหลุดพ้นใช่ไหมปรอใช่สกจิตที่หลุดพ้นแล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งยังไม่หลุดพ้นใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจิตที่หลุดพ้นแล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งยังไม่หลุดพ้นใช่ไหมปรอใช่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 ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่ประกอบด้วยศีลที่พระอริยชอบใจใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอจิต ท, ที่หลุดพ้นแล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งยังไม่หลุดพ้นใช่ไหมปอรอใช่สอกอบุคคลเป็นพระสกะทาคามีส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระสกะทาคามีเป็นผู้ถึงได้บรรลุทาให้แจ้งเข้าถึงอยู่ สัมผัสสกทาคามิผลเดือกกายอยู่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่สัมผัสเดือกกายอยู่ใช่ไหมปร Geez, ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกจิต ท, ที่หลุดพ้นแล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งยังไม่หลุดพ้นใช่ไหมปรใช่สอกอบุคคลเป็นพระอนาคามีส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระอนาคามีเป็นผู้ถึงได้บรรลุทำให้แจ้งเข้าถึงอยู่ สัมผัสอนาคามิผลเบื้องกายอยู่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่สัมผัสเบื้องกายอยู่ 2> <2> เป็นพระอนาคามีผู้อันตาราปริญพายีผู้อุปหัจจะปริญพายีผู้อสังขาราปริญพายีผู้สัสังขาราปริญพายีผู้อุดทางสโสตโอกนิถคามีส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระอนาคามีผู้อุดทางสโสตอกนิถคามีใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกจิตหลุดพ้นแล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งยังไม่หลุดพ้นใช่ไหมปรใช่สกบุคคลเป็นพระอรหันต์ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระอรหันต์เป็นผู้ถึงได้บรรลุทําให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสอรหัตผลด้วยองกายอยู่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่สัมผัสเรื่องกายอยู่เป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทําให้แจ้งทําที่ควรทําให้แจ้งส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งไม่ทําให้แจ้งทํำที่ควรทําให้แจ้งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจิตที่หลุดพ้นแล้วชื่อว่ากําลังหลุดพ้นใช่ไหมปรใช่สกจิตหลุดพ้นแล้วในขณะเกิดชื่อว่ากําลังหลุดพ้นในขณะดับใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสามรอหกสิบเจ็ดปรท่านไม่ยอมรับว่า จิตที่หลุดพ้นแล้วชื่อว่ากำลังหลุดพ้นใช่ไหมสกใช่ปรพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าเมื่อบุคคลนั้นรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสะวะบ้างจากพวาสะวะบ้างจากอาวิชชาสะวะบ้างมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรดังนั้นจิต ท, ที่หลุดพ้นแล้วจึงชื่อว่ากาลังหลุดพ้นสก จิตที่หลุดพ้นแล้วชื่อว่ากำลังหลุดพ้นใช่ไหมป ร, รใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลนั้นเมือ่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแั่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมน้อมจิตไปเพื่อยานเป็นเครื่องสิ้นอาสวะมีอยู่จริงไม่ใช่หรือป ร, รใช่ สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าจิตที่หลุดพ้นแล้วชื่อว่ากําลังหลุดพ้นสกจิตที่กําลังหลุดพ้นมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกจิตที่กําลังกําหนัดขัดเครืองหลงเศร้าหมองมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจิตที่กําหนัดและไม่กําหนัดขัดเครืองและไม่ขัดเครืองหลงและไม่หลง ขาดและไม่ขาดแตกดับและไม่แตกดับถ mm. ูกปัจจัยปรุงแต่งและไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีอยู่ไม่ใช่หรือปรใช่สกหากจิตที่กำหนดและไม่กำหนดขาดเพลิงและไม่ขัดเพืองหลงและไม่หลงขาดและไม่ขาดแตกดับและไม่แตกดับถูกปัจจัยปรุงแต่งและไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าจิตที่กำลังหลุดพ้นมีอยู่ วิมุตจะมานกขาจบ